ไปเพ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าคิดส่งสายไปทางอื่นการปล่อยจิตให้คิดไปในโลกสงสารอันนี้เรามันปล่อยมานานแล้วนะ นับชาติไม่ทวนแล้วสาเหตุที่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วจิตไม่อยู่กับกายมันก็เลยไม่เห็นแจ้งในกายนี่ตามเป็นจริงทั้งที่ตนนั่งเฝ้านอนเฝ้ามันอยู่ เดินเฝ้ายืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาถึงกขนั้นก็ยังไม่รู้แจ้งในกายนี้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นบุคคลจะรู้แจ้งในกายนี้ได้จึงต้องรวบรวมความคิดความนึกทั้งหลายให้มา ยุติลงในจิตนี้ก่อนให้จิตมันสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ภายในได้จิตนี้เมื่อกิเลสไม่หุมห่อแล้วมันก็ผองใสขึ้นที่มันมัวหมองอยู่กับเพราะากิเลสบันหุมห่ออยู่ กิเลสที่หุ้มหอ่อจิตไม่ให้ตั้งมั่นลงได้นั้นก็ได้แก่ความรักความชังความงวงเหงาหานอนความพุ่งสารานรำคาญความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆกิเลสเหล่านี้แหละครอบงมจิตใจของผู้ใ ด, ดแล้ว ใจของผู้นั้นยอมสงบนิ่งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นมันก็ง่วงหลับไปเสียไม่รู้ตัวตอนนั่งอยู่ก็นั่งหลับนั่งฝันไปไออย่างนี้นี่มันก็เป็นเครื่องตัดทอนปัญญาไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักศัตรูของสมาธิเมื่อรู้แล้วก็กําหนดละถ้าหากว่ากิเลสตัวใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้สิเราเพ่งเข้าไปภายในคนไม่รู้สึกตัวนะ่ะไม่ได้หรอกเช่นความรักเกิดขึ้นในใจก็รู้อย่างนี้นะ ใครจะไม่รู้ล่ะความชังเกิดขึ้นก็รู้อย่างนี้แหละวามโงเห ง, งาหาแนอนเกิดขึ้นก็รู้ความพุ่งสั้นรําคาญใจเกิดขึ้นก็รู้ความสงสัยลังเลเรื่องบาบุญคุณโทษเกิดขึ้นก็รู้เมือ่อเรารู้อ่า น, นิวรณข้อไหน มันครอบงามจิตอยู่ในขณะนี้ตรวก็เพ่งละนิวรณประเภทตั้งเสียอย่าให้มันครอบงามจิตได้ถ้ามันง่วงเงาอย่างนี้ก็พยายามย ก, กจิตให้สูงขึ้นเนิกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอารมณ์ นึกพิจารณาภาวนาคุณของพระพุทธเจ้านอะพระพุทธเจ้ามีพระคุณอันประเสริฐอย่างไรอย่างไรที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ดูตำรับตำรามาล้วกดค้นคว้าเอามาคิดมาพิจารณาเมื่อจิตมันเกิดความเลื่อมใสในพระคุณนั้นขึ้นมาแล้วมันก็เบิกบานความง่วงก็หายไปเป็นอย่างนั้น บายวิธีสำหรับแก้ความง่วงสำหรับแก้ความรักอเคยเทศมาแล้วหลายครั้งหลายหนทีเดียวแหละแต่เมื่อบุคคลไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลเพราะทุกคนย่อมมีความรักเป็นเจ้าเรือนทั้งนั้นแหละเกิด แกเจ็บตายอยู่ในโรคอันนี้นะมันมีอยู่อย่างนั้นกิเลสตัวนี่นะพอเหตุว่าบุคคลไม่ไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันสักทีเหตุฉะนั้นจึงติดตามจงกิจนี่มาในสงสารจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังมารบกวนอยู่ ความทางก็เหมือนกันนะให้ถือว่ามันเป็นกิเลสประจำดวงกิจนี่มาเนื่องจากว่ายังไม่ได้ละมันยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบัด น, นี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี่แล้วได้ฟังได้เข้าใจอุบายวิธี ละกิเลสเหล่านี้แล้วก็อย่าไปนิ่งเฉยอย่าไปเมินเฉยต้องพยายามเจริญพระกรรมฐานนั่นๆระงับกิเลสเหล่านี้ให้สงบจา ก, กจิตใจไปใจจะได้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมก็ ความรักสวยกับรักงามกับความเห็นว่าไม่สวยไม่งามมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือมันเป็นศัตรูกันนั่นแหละพุดผุ ด, ผดสั้นๆว่าความสวยงามกับความขี้ร้ายนั่นมันเป็นคู่ปรับกันเลยเป็นยางไง เอา้าใจหนึ่งถ้าเห็นว่ามันสวยงามอีกใจหนึ่งเห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกปฏิกูลเมื่อเพ่งไปว่อยเข้าความจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นแล้วไ อ, ไอความว่าสวยงามนั้นมันก็แพ้ไปสู้ไม่ได้ เพราะว่ามันแพ้ความจริงความจริงแล้วไม่สวยงามแต่ที่มว่าสวยงามเพราะมันหลงมันไม่รู้จริงเรื่องมันนะ <c oughs> ก็อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมาฐานไว้สำหรับระ ง, งับกิเลสต่างๆนะ เมื่อมันคิดเห็นว่ารูปนั้นสวยงามเสียงนั้นไพเราะเป็นต้นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องนึกถึงความไม่สวยงามมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้แหละถ้าเราจะดูแต่ผิวเหินภายนอกนี่อาศัยการตกแต่งผ้านุ่งผ้าห่มมาห่มมาคุมไว้ปกปิดไว้ แล้วก็มีเครื่องน้ำอบน้ำหอมมาชลมกายให้กลิ่นมันหอมพุ่งไปมีน้ำมันทาผมอะไรต่ออะไรหมดเนี้ยใสยการประดับประดาตกแต่งอย่างนี้เนะี่ยเมื่อบุคคลเห็นเข้าไปแล้วก็เลยว่าสวยงามทั้งประดับประดาด้วย ต้มหูบ้างสร้อยข้อมือบ้างแหวนเพชรบ้างนาฬิกาข้อบ้างอะไรอม น, นี้ใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่าสวยงามมากแต่ที่จริงไม่มีอะไรสวยงามอันเครื่องประดับนั้นมันก็เป็นเครื่องประดับอยู่แค น, นี้มัน มันจะเป็นอะไรไม่มีดีไม่ชั่วอะไรถ้าใครไม่ไปสมมติมันขึ้นนะมันก็เป็นสภาวะชาติอยู่ตามเดิมของมันร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันใครจะสมมติว่าสวยงามแต่มันก็ไม่สวยงามอยู่นั่นแหละมันก็เน่าก็เปื่อยผุพังไปเวลายังไม่แตกไม่ดับนี่ถ้าไม่อาบน้ำ ไม่ขัดใครไม่ถูสบู่อยู่บ่อยๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรสวยงามทั้งมีกลิ่นก็เหม็นด้วยทําให้ชําระล้างนะที่มันไม่ทรงกลิ่นเหม็นออกไปก็เพราะเหตุว่าได้ชําระล้างขัดถูอยู่ทุกวันทุกวันแล้วอย่างนี้นะจะเอาอะไรมาสวยงามนะ่ะอันพิจารณาลงไปอย่างนี้มันก็ บรรเทาความรักความใคร่ลงได้การมันจเจริญเมตตาอยู่เสมอเสมอน่ะนึกถึงเขานึกถึงเราเสมอเนี่ยเรารักชีวิตของเราชั้นใดบุคคลอื่นก็นรักชีวิตของคนอื่นหรือสัตว์อื่นอย่างนั้นเราไม่ต้องการอยากให้ใครมาเบียดเบียนมาฆ่ามาตี ฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่้องการให้ใครมาฆ่าหรือมาทุบมาตีเขาก็ฉันนั้นแหละเรากลัวตายฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็กลัวตายเหมือนกับเรานี่เองเนี่ ย, ยถ้านึกถึงเขานึกถึงเรามาเปรียบเทียบกันเข้าไปแล้วมันก็หัวอกเดียวกัน ผู้ใดมันนึกอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันจึงไม่มีเมตตาสงสารบุคคลก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเห็นเข้าแล้วก็สงสารอยู่ในใจไม่คิดที่จะฆ่าจะแกงมันแม้ลินยงุงหวันมาดูดกินเลือดของตนก็าตามแต่เรากินสัตว์เนื้อของสัตว์นั้นยังไหลาักวยุงมันดูดเลือดนิดหน่อยเอาไปกินนั้นต้อตงนึกเทียบกันดูอ่ะ เมื่อเรานึกเทียบกันได้อย่างนี้มันก็ให้อภัยมันไปได้นั่นไงถ้าคนไม่นึกไม่คิดอย่างนี้นึ ก, กว่าแต่ยุงมันมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวนั่นไงมันก็รู้แต่แค่นั้นนะถึงได้โกรธมนะันน่ะแท้ที่จริงแล้วนะตนนั่นรับประทานเนื้อของสัตว์ทั้งหลายที่สมมุติเป็นอาหารกันในโลกนี้มัน ไม่รู้ว่ากี่ชีวิตมาแล้วคิดให้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็มีสติให้อภัยมันไปมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าผู้มันเจริญเมตตาอยู่เสมอเสมออย่างว่านี้นะมันก็ทำให้ความโกรธความพยาบาทอะไรเบาบางลงไปฮนะมันไม่มีอะไร พ่อปฏิบัติเนะี่ยก็อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจอันความโกรธนี่มีอยู่ทุกคนนั่นแหละดังนั้นการเจริญเมตตาการุณาเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยไม่เช่นนั้นความโกรธมันก็ไม่เบาบางลงไปมันก็นาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแหละ <c oughs> ทีนี้การเจริญปัญญา มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะความหลงมันครอบงมอยู่ความหลงมันครอบงมจิตใจในมานับชาติไม่ท้วนแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันหลงอะไรละ่ะก็หลงสำคัญว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาหวงร่างกายอันนี้ไว อใครด่าว่าตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เสียใจถ้าเขาด่าว่ารุนแรงขึ้นไปก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยแบบนี้อโดยสําคัญว่าเขาด่าเราเขาดูถูกดูหมิ่นเราเหยียดยามเราอย่างนี้นะมันความสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของของเราเนะี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็โกรธตอบเข้าไป สร้างกรรมสร้างเวรต่อเนื่องกันไม่รู้จกกักจบจักสิ้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละการภาวนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นการขาจัดความหลงความไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ออกไปตามเป็นจริงเป็นอันขจัดความหลงความเข้าใจผิด ในร่างกายนี้ออกไปเมื่อความหลงเข้าใจผิดระงับดับไปความรู้แจ้งตามเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นแทนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นก็ไม่ใช่ของคนอื่นจริงจังเป็นแต่สมมุติว่าเอาเท่านั้น ไม่ใช่ของของเขาเหมือนกับร่างกายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ของเรานึกถึงตัวเราแล้วก็นึกถึงเขาเข้าไปอีกก็ให้ให้เห็นเป็นแต่เพียงสมมติเท่านั้นอย่าไปเห็นแต่ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ว่าไม่ใช่ของเราต้องรู้ให้รอบของคนอื่นของสัตว์อื่นก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ของเขาทั้งนั้นเนี่ยมเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรเราจะไปโกรธเรื่องอะไรเราจะไปมัวเมาทนุถนอมแต่ร่างกายแล้วไม่ทนุถนอมดวงจิตนั่นเป็นความไม่ฉลาดจริงๆนะไปทนุถนอมปลนเปรารักษาตั้งแต่ รูปกายอันเป็นของไม่เที่ยงนั้นอยู่อย่างนั้นส่วนดวงจิตนี่นะ่ะซึ่งเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารเนี่ยไม่คำนึง น, ะนั่นแนหะไม่คิดว่าจะชำระสาสางกันอันนี้นะว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะสร้างบารมีมา ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่ทั้งจิตของพระ อ, องค์ด้วยจิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยมันตกมันค้างอยู่ในโลกอันนี้มันคล้องอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆอยู่ในโลกอันนี้นะอันนี้แต่ลำพังความคิดของบุคคลเฉย ว, ว่าเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วมันจะพ้นจากทุกข์ไปได้อะไม่มี มันพ้นจากอำลังแห่งความทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่ากําลังใจนี่มันถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วมันอ่อนแอไม่มีไม่มีแข็งแรงอะไรเลยนะจิตนี่นะถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกําลังใจนะ่ี่จะอ่อนแอดังนั้นกิเลสมันจึงครอบความจิตได้ พระพุทธเจ้าผู้สร้างบา ร, รมีเป็นพระ เ, เจ้าก็จึงได้ลงทุนสร้างบุญสร้างกุศลมาในสงสารจนขนา น, านับชาติไม่ทนเลยทีเดียวกลัวบุญบา ร, รมีนั้นจะเต็มมันก็เป็นกำลังใจได้เต็มที่เลยบบนี้นะมารคือกิเลสมารบ ก, กวนมาทำลายความสงบของพระองค์ พระองค์ก็อธิษฐานใจถึงบุญบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติมาเป็นผักขีพยานเมื่อนั้นพระบา ร, รมีธรรมของพระองค์ก็มีจริงก็ย่อมแสดงให้ปรากฏกำจัดมานและเสนามารเหล่านั้นให้พ่ายแพ้ไประงับไปว่าแล้วกว็คือนิวรหานี้เองแหละ ระงับไปจากพระไทยของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์จึงได้เจริญปัญญาวิปัสนาต่อทรงตัดสรุปเพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติถนหลังได้นับถอยหลังตั้งแต่ชาติเป็นพระติทัตถราชกุ ม, มารไป คืนหลังถอยหลังไปเรื่อยๆไปร้อยชาติพันชาติแสนชาติล้านชาติขึ้นไปหลายล้านชาติไปก็ทรงรู้แจ้งไปเลยไม่มีข้อสงสัยเลยรู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่นำดวงกิจวิญญาณนี่ให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ ก็เพราะอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมหมู่นี้นะเป็นปัจจัยสำหรับนำดวงกิจตวงนี้ให้ไปปฏิสนธิในท้องของมารดาเป็นท้องของมนุษย์บ้างเป็นท้องของสัตว์เลี้ยงลูก้วยม สำหรับสัตว์นรกนั้นไม่ต้องเข้าท้องใครเกิดขึ้นเองด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมนั้น<ม>พวกเทวดาก็เหมือนกันไม่ต้องไปเข้าท้องใครเกิดขึ้นเองด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ทำไว้แต่ในโลกนี้<ม>เป็นอย่างนี้แหละ อนุภาพแหงบุญและบาปมันนําดวงจิตนี้ให้ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะอาบาปก็นําจิตท่องเที่ยวไปในที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากอืมบุญก็พาดวงจิตนี้ท่องเที่ยวไปในสถานที่สุขสําราญเบิกบานใจก็เป็นอยู่ยงี้แหละบุคคลผู้ที่ ยังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานบางชาติก็หลงเห็นผิดเป็นชอบไปว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปก็เลยไม่ทำบุญกุศลอะไรเสียเลยเรื่องบาปนั่นไม่ฟังเพราะกิเลสนี่มันจูงใจคนทำบาป ิเลไม่ได้จูงใจคนทำบุญปัญญาหรือศรัทธาความเชื่อความเริ่มใช้ความรู้ความฉลาดตั้งหากที่มันจูงใจคนเราทำบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปในตนมันมันแตกต่างกันอย่างนี้ในระหว่างปัจจัยแห่งบุญและบาป ถ้าพูดตรงๆแล้วก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเป็นเหตุให้คนเราทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้คนเราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนามันก็เป็นอย่างนั้นคุณธรรม มันเป็นคู่ปรับกันอยู่ในตัวแต่ว่ามันมีใจเป็นผู้ดำเนินมีใจเป็นใหญ่กลัวคุณธรรมเหล่านั้นสุดแล้วแต่ใจมันน้อมไปทางไหนบ้นี้นันเมื่อเมื่อใจมันยินดีไปในบาปอากุศลมันก็น้อมใจไปทางนั้น ใช้กายวาจาทำไปพูดไปในทางนั้นแหละเมื่อใจมันยินดีไปในทางบุญทางกุศลมากมันก็โน้มใจไปในทางนั้นแล้วก็ใช้กายวาจาทำพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละนั่นเราสังเกตดูวยไม่ใช่ว่าบุญบาปมันเกิดเองมันไม่ได้เกิดเองหรอก พระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษตไว้ว่ามาโนโบุพังคมาธรร ม, มาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเสรษามาโนมะยาะมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังนี้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายังได้สอนให้คนเราน่ น, น่ะรักษาใจดวงนี้ให้ มากกว่าการรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรของรักของชอบใจอื่นๆไปไปรักษาตั้งแต่สิ่งภายนอกมากกว่ารักษาใจตัวเองนั่นแหละคนส่วนมากดังนั้นใจนี้มันจึงถูกกิเลสครอบงําย่ายีเอาจนเศร้ามองขุ่นมัวไปแสดงว่าคนเราน่ะไม่รู้จัก ตัวเองไปไปหลงรักหลงพอใจแต่สิ่งอื่นน่นยิ่งกว่ารักตัวเองตัวเองโดยสมมุติแท้ๆแล้วก็คือดวงจิตเพราะดวงจิตนี่ถ้าจะว่าอีกในหนึ่งแล้วมันมันไม่ตายเหมือนกับร่างกายสังขาร มันไม่ตายแต่ว่ามันไม่มีรูปร่างนั่นแหละคนถึงไม่ค่อยมองดูมองดูแต่รูปร่างที่มองเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่ดวงจิตไม่มีรูปร่างจึงไม่ได้ดูตัวเองทีเนี้นั่นแหละผู้ใดไม่ภาวนาผู้นั้นแหละชื่อว่าไม่ได้ดูตัวเอง ถ้าผู้ภาวนาแล้วมันต้องดูตัวเองนะเบงันจึงเมื่อดูตัวเองเข้าไปจึงรู้ได้ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจทั้งนั้นเลยมีใจถึงก่อนคือว่าใจคิดไปหามันก่อนสิ่งนั้นนั้นมันจึงปรากฏขึ้น บาปก็ดีจิตนึกขึ้นมาก่อนแล้วมันจึงไปลงมือทำบาปได้บุญก็เหมือนกันจิต ค, คิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงลงมือทำบุญได้จึงตัดสินลงไปถ้าความคิดความนึกอันใดมันถูกอวิชชาตัญหาครอบงำมันแทรกแซงอยู่ด้วยอวิชชาตัญหาแล้วส่วนมากก็คิดไปทางบาปอากุศสนนั่นแหละ ความคิดอันใดที่ประกอบไปด้วยศรัทธาและปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั่นความคิดอันนั้นมันจะไปในทางบุญกุศลทางที่ให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันละเลยในการรักษาจิตดวงเดียวเนี่ย ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตดวงเดียวนี่แหละเลื่อยไปอย่าให้มันเผลออย่าให้มันหลงสมมุติบัญญัติของโลกนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยกันอยู่นี่นะล้วนแต่เป็นของสมมุติ ขึ้นเท่านั้นเองนะทวาระสมมติอันนั้นออกหมดแล้วละชื่อของสิ่งนั้ น, น, นหมดแล้วเพ่งดูตามความเป็นจริงก็เห็นแต่เป็นสภาวะธาตุเท่านั้นแหละส่วนใดที่มันแข่นแข็งส่วนนั้นก็เป็นธาตุดินส่วนใดที่มันเหลวมันก็เป็นธาตุน้าไปส่วนใดที่มันร้อนมันก็เป็นธาตุไฟไป ส่วนใดที่มันมีการพัดไปพัดมาในร่างกายสังขาร น, นี่บ้างนอกร่างกายบ้างนั่นท่างก็เรียกว่าธาตุลมไปซะมันอย่างนี้แหละถ้าเพิกสมมุติตา่างๆนั้นนั้นออกไปแล้วนะมันก็เหลือตั้งแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองแม้ตลอดถึงดวงกิจนี่ท่านก็เรียกว่ามโนธาตุเป็นไน มันเรียกว่ามาโนธาตุก็เป็นธาตุชนิดนึงดวงจิตดวงใจอันนี้นะ่ะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าเป็นสาพาะธาตุแล้วมันก็ไม่ต้องยึดถืออะไรสิแบบนี้น่ะต่างก็เป็นธาตุเหมือนกันนี่นั่นเนี่ยจิตก็เป็นธาตุอันหนึ่งท่านถ้าจิตนั่นมันสะสมกองกิเลสไว้ท่านก็เรียกว่าสังฆาธาตุ ธาตุที่มีปัจจัยปรุงแตง่งถ้าจิตนั้นไม่ยึดถือกิเลสไว้ละเอาประทานความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงได้จิตนี้ท่านก็เรียกว่าอสังคาธาตุแปล ว, ว่าธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดให้ท่องเที่ยวไปในสงสารต่อไปนี่จุด ว, วุ่งหมายแห่งคำสอนของพระเจ้า สอนให้คนเรานั่นนะ่ะละความยึดความถือในกิเลสตัณหาอาวิชชาความโลภโกรธท้งต่างๆหมดนี้นะเพียนละมันออกไปให้มันยังเหลือตั้งแต่จิตดวงเดียวอย่าเอากิเลสเข้าไปแทรกแซงไว้ในนั้นแล้วจิตนี้มันจะไม่ได้หลงไหลเคลื่อนไหวไป